การสวดมนต์คือการท่องคําสอนของพระพุทธเจ้าและการพรรณนาพระคุณของพระรัตนตรยัยอานิสงส์เบื้องต้นในการสวดมนต์ก็เพื่อเป็นอุบายทําจิตให้เป็นสมาธิยึดติดอยู่กับคําสั่งสอนที่เป็นมงคล การสวดมนต์สามารถทำได้ง่ายแม้เพียงแค่สวดมนต์สั้นๆเป็นประจำก็เป็นบันไดสร้างความดีจะนำไปสู่การเรียนรู้และปฏิบัติธรรมในระดับสูงขึ้นไปด้วยในวิมุตตยานาสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสห้าประการหนึ่งในนั้นกล่าวว่าจะสามารถบรรลุธรรมขณะสาธยายธรรมซึ่งเป็นอเนิสง ส, งสูงสุดของการสวดมนต์